ช่วงนี้ที่อาสมเราก็เรียกว่ามีงานที่ต้องเตียงนะหรือว่าต้องทำก็เยอะพอสมควรเนาะมันเออแป๊บๆก็จะออกพรรษาละก็ได้มาอยู่สองเดือนกว่าอีกไม่กี่วันก็ออกพรรษานะก็จะมีคณะปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรม แล้วก็กรถินต่อมันก็เหมือนเรามาอยู่ใหม่เนาะเราก็เหมือนมาปรับปรงุงมาพัฒนามาสร้างบางสิ่งที่มันยังไม่ไม่พร้อมไม่สะดวกยังไม่มีเราก็ก็สร้างขึ้นมันก็เป็นงานทางโลกนะเป็นงานในการสร้างเสนาะนะ สร้างที่อยู่อาศัยสร้างที่ปฏิบททัติธรรมนะมันก็เป็นงานที่มันก็ดีนะดีที่เราก็ไม่ได้สร้างเพื่อถ้าเราคิดนะเราไม่ได้คิดว่าเราสร้างเพื่อตัวของเราเองนะไม่ได้สร้างเพื่อว่ามันเป็นของของเรานะไม่ได้สร้างว่าอันนี้คือ ผลงานของเรานะเพื่อจะให้ใครมามาชื่นชมมายกย่องมาจดจำนะนะถ้าเราวางใจนะเวลาเราทำการทำงานอะไรต่างๆก็โดยสมมตินะโดยสมมติก็คือก็คือเราทำนะเราสร้างนะแต่โดยจิตนะก็ขอให้คิดว่าเออเราทำ ไม่ได้ทำเพื่อไม่ได้ทำเพื่อตัวเรานะไม่ได้ทำเพื่อเป็นขอของเราไม่ได้ทําเพื่อเป็นชื่อเสียงเป็นจาดลึกของเรานะแต่เราทําเราเน้นที่ที่ตัวประโยชน์นาะที่ตัวประโยชน์นะที่ตัวคุณค่าในงานที่เราทำนะํำเราทําเพราะว่าเห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์ อย่างไรนะแก่คนอื่นจะเป็นประโยชน์อย่างไรต่อชุมชนจะเป็นประโยชน์อย่างไรต่อศาสนานะงานงานพัฒนาก็ดีงานพวกก่อสร้างอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยถ้าเราคิดแบบนี้มัน เ, เราทำเพื่อเป็นประโยชน์นะ ต่อคนอื่นแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อต่อศาสนาการทำเช่นนี้มันก็จะเป็นการเหมือนทำที่คุณค่าแท้ของงานไม่ใช่เอาคุณค่าเทียมคือเอาตัวเราเป็นที่ตั้งหรือว่าเอาตัวเราเป็นเป็นคนเป็นคนที่เป็นเจ้าของของงาน ถ้าทำแบบนี้ได้มันจะเป็นการขัดเก่าตัว ต, วตนของเราไปด้วยนะขัดเก่าความยึดมั่นถือมั่นนะในสิ่งที่ทํานะมันก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยนะเพราะเวลาทํางานเนาะอาจจะมีความเหนื่อยล้ามีความอาร้อนมีความเมื่อยหรือมีความ มันก็จะเห็นความพอใจความไม่พอใจนะในงานที่เราทำนะมันก็ถ้าเรานะเรียนรู้ดูรู้ทันนะกายที่เคลื่อนไหวรู้ทันเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายรู้ทันความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นกับใจนะความพอใจความไม่พอใจหรืออารมณ์ต่างๆที่มัน มันเกิดขึ้นในขณะที่ทำงานก็ดีหรือว่าในขณะที่หลังจากวางการงานแล้วก็ดีนะจิตใจยังติดข้องกับการงานมากน้อยขนาดไหนเนี่ยเราก็รูนะ้อันนี้คือที่เราก็อะไรอาศัยเนี่ยแหละอาศัยการงานเป็นตัวสังเกตดูสภาวะของกายของใจไปด้วยก็ได้เนี่ยถ้าเราทำแบบเนี้ย เราจะได้สตินะเราจะมีสติขณะที่ทำนะโดยเฉพาะถ้ายิ่งการงานที่ทำแบบนะทำคนเดียวหรือว่าทำแบบถ้าทำกับหมูก็ทำแบบเงียบๆนไม่มาถึงว่าไม่พูดคุยกันแบบสนุกสนานแบบทางโลคแบบนี้เนาะการงานพวกนั้นมันก็จะเป็นงานที่จะช่วยให้เรา กลับมาเห็นตัวเองนะเห็นความรู้สึกนึกคิดนะที่เกิดขึ้นในจิตในใจของของเราเองได้นะถ้าทําแบบเนี้มันก็จะเกิดเกิดประโยชน์อย่างมากทั้งต่อตัวเราเองนะประโยชน์ต่อตัว เ, เองคือประโยชน์ในการพัฒนาจิตใจเนาะในการขัดเกาวกิเลสออกไปจากจิตใจนะขัดเกา ต, ตัวตนออกไปจากจิตใจ แล้วก็มันก็จะเป็นประโยชน์นะต่อคนอื่นต่อนะสังฆะนะต่อพระศาสนาต่อไปด้วยนะแตนะ่ถ้าเท่าทำแบบเนี้ยมันจะเป็นงานที่ลดละตัวตนแต่บางทีถ้าคนทํางานทั้งโลกมันจะเป็นเหมือนทำแล้วก็เป็นตัวตนอยู่กับงานนะถ้าจะเปรียบเทียบเอาชัดๆนะแต่อาจจะไม่ใช่ว่านะเป็นทั้งหมดเนาะ ได้ยินว่าอย่างสมัยก่อนเวลาเวลาสร้างโบสถ์นะโาสร้างโบสถ์นะก็จะมีศิลปินน ะ, นะชาวบ้า น, นที่มีความสามารถทางช่างบ้างเขาก็จะมาวาดรูปวาดรูปในฝาผนังโบสถ์วาดรูปเป็น่วน่ห์ก็เป็นเรื่องราวพุทธประวัติบ้างเป็น เป็นชาดกบ้างหรือเป็นทศชาติบ้างอะไรประมาณนะั้นะก็เรียกว่าเป็นรูปคติธรรมนะในที่เกี่ยวข้องกับนะพระพุทธเจ้าหรือเกี่ยวข้องกับนะคำสั่งสอนของท่านนะก็เวลาวาดู้ไปก็ก็เอาไว้ให้คนที่มาใช้นะคนที่มาชมได้ได้ดู ได้เห็นเป็นเรื่องราวของธรรมะแต่หรือแม้แต่ได้ยินว่าเรื่องบางทีวาดรูปสมัยก่อนนะก็สิลปินเวลาทำผลงานอะไรต่างๆเนะี่ยก็ไม่ค่อยมีการลงชื่อหรอกนะจะวาดจะปั้นจะแกะอะไรก็แล้วแต่ก็ก็คือก็ไม่ต้องเอาตัวตนของผู้ทาไป ไปตีแชตากับสิ่งที่ทำตรงนั้นนะอันนั้นเวลาคนทำงานทำการต่างๆเขาก็จะไม่รู้หรอกใครเป็นคนทำเหมือนอย่างไปเห็นอย่างงานแกะใหญ่ๆนะอย่างเช่นถ้ำอชันตาอโรดาร้าอะไรเนี่ย น, นะก็คิดว่าไม่มีนะไม่มีการตึกชื่อคนทำคนแก ะ, ะไว้ อาจจะมีแค่เรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่เขารู้กันว่าเป็นช่วงเวลาไหนที่มาทำนะแต่ไม่มีคนไม่มีรายชื่อคนที่ทำหรือแม้แต่สารจีนะที่เป็นงานแกะสลักพุทธประวัตินะที่ไม่ใช่เป็นรูปตัวบุคคลแบบนี้นะเป็นรูปสัญลักษณ์แทนก็ ด้วยความสวยงามด้วยความเรียบร้อยไอ้ต่างๆก็ก็ทําโดยไม่รู้ว่าช่างคนไหนจะคนคนทำนะที่พูดอย่างนี้ก็คือแต่บางทีศิลปินสมัยนี้นะบางทีก็เวลาจะแกะจะวาดจะอะไรนะสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้คือลายเซนเนะเอลายเซนที่ต้องต้องเซนไว้ว่านี่คือ งานของเรานะนี่คือชื่อของเราคือแม้แต่บางทีเห็นทำไมนยะเห็นเชน ง, งานถ่ายรูปนะเวลาจะโชว์ที่ไหนก็ต้องมีลายเซ็นไว้เป็นลายน้ำไว้นะให้ให้โรคได้รู้ว่าอันนี้คือคือฝีมือของเรานะมันก็แต่บางคนอาจจะถ้าคิดแบบนั้นมันก็เหมือนเป็นการสร้างตัวตนเนาะ แต่บางคนอาจจะคิดต่างคิดแง่แวกเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์หรือว่าไม่ให้คนอื่นเอาไปใช้ต่อโดยไม่รับอนุญาตอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นก็แต่ถ้าเราดูดีๆนะมันก็จะแฝงความรู้สึกว่าอันนี้คือของของเราคนอื่นจะไปใช้ต่อไม่ได้โลกสมัยเนี้ยมันก็มันประมาณว่ามันทําไปแล้วรู้สึกว่ามันเป็นของของเรา เยอะหลายอย่างนะระบบดิจิตต์ระบบเข้าๆเจ้าของเนี่ยมันมันเยอะมากมันจะต่างจากสมัยก่อนที่ทำแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเป็นของของเราเนาะจะทำการงานอะไรต่างๆล้วก็คิดที่ประโยชน์ที่ที่คนอื่นจะได้ใชนะ้ยิ่งถ้าคนอื่นเอาสิ่งที่เราทำหรือมาใช้สิ่งที่เราได้ทำไว้เนี่ย จิตมันจะเป็นอนุโมทนาเนาะจิตจะอนุโมทนาเออเขาเอาไปใช้เขาเห็นภาพวาดของเราสวยเข า, เาไปใช้เขาเห็นนุปถ่ายของเราดีเข า, เาไปใช้ต่อไปใช้ในทางที่ดีนะจิตก็เกิดอนุโมทนาแต่บางทีคนจะรู้สึกว่าถ้าคนติดอัตตาตัวตนเอาของเราไปใช้ได้ยังไงไม่ขอ ไม่ขออนุญาตดาวก่อนนะต้องขออนุญาตดาก่อนสิถึงถึงเอาไปใช้ได้ะอะไรประมาณนะั้นะเหมือนเมื่อสองวันไม่ถึงเดือนนะเห็นมีข่าวข่าวดังข่าวหนึ่งนะในวงการทางโลกอนะวงการตลกวงการเพลงนะมีเพลงเพลงหนึ่งนะนะ ทื่อะไรก็ประมาณนะเพลงตลกเนะี่ยเพลงแบบแนวแนวตลกนะเขาตลกก็มาว่ากันว่าเนี่ยตลกรุ่นใหม่เอาเพลงนี้ไปใช้มีท่อนฮุกที่ที่เขาเคยร้องเปิดคณะตลกประจำนะไม่ขออนุญาตเขาก่อนแต่พอสืบไปสืบมา็ เ, าเปิดว่ามันก็เขาก็ไม่ใช่เป็นคนแต่งเองนะ แต่คิดว่าอันนั้นพอตัวเองเอามาร้องแล้วก็มีชื่อเสียงคนรู้จักก็คิดว่าเป็นของของตนคนอื่นเอาไปใช้ก็ว่าไม่มาขออนุญาตตัวก่อนอันนั้นก็คือมันก็เป็นสภาพที่เหมือนคิดว่าเราเป็นเจ้าข้าวเจ้าของแบบนี้นะอันนั้นเวลาเราทำอะไรก็ดีพยายาม รู้ทันไอความรู้สึกตรง น, นี้นแหล ะ, ะเวลาทํางานบางทีตัวตนมันจะปรากฏนะกับสิ่งที่ที่กําลังทําอยู่นหรือผลงานที่ที่ทํานำที่คิดที่ทำํำนี่มันจะเป็นเมื่อมีคนชมนะเกิดความรู้สึกพอใจเมื่อมีคนติเกิดความรู้สึกไม่พอใจน เมื่องานสำเร็จรู้สึกชื่นใจเมื่องานล้มเหลวรู้สึกทุกข์ใจแล้วความรู้สึกพวกเนี้ยเราเราไม่ห้ามมันนะเราไม่ห้ามมันแต่คอยรู้ทันมันเห็นมันเห็นจิตมันมันรู้สึกอย่างไรนหรือมันจะเฉยเฉยก็รู้สึกว่ามันเฉยเฉยมันจะรู้สึกบวกหรือลบก็รู้ทันมันนันเวลาเรา เ ร, เราทำงานนอกจากเราจะได้งานแล้วเราก็ได้ทำไปด้วยนะได้ธรรมะนะในขณะที่ทำงานด้วยไม่ว่าจะงานอะไรก็แล้วแต่นะทำอาหารนะทำไปแล้วเนะี่ยคนว่าอร่อยนะรู้สึกพอใจนยะคนว่ารสชาติไม่ดีเลยนยะต้องปรับปรุงนั่นนี่นยะเรารู้สึกอย่างไรนยะหรือว่าทางทำไปแล้วนะ คนกินหมดน่ารู้สึกปื้มเหลือเยอะเหลือเกินรู้สึกอย่างไรอนไรแบบนี้อันนี้เสียดเทียบ ง, ง่ายบางทีหรืออย่างที่จะบอกบางทีญาติโยมบางคนเ น, ะนาะถวายของพระและ้วก็จะคอยดูว่าพระจะฉันของเราไหมพระจะใช้ของที่เราถวายไหมจิตก็ยังปิดคิดติดอยู่ว่าอันนั้นคือของของเราเ ผู้บาอาจารย์ท่านฉันท่านใช้หรือเปล่านะอันนี้คือจิตที่ยังยังไปติดยังกังวลอยูนะ่แต่ก็ได้ยินเมื่อวานหลวงพ่อเขาเล่านะที่มีคนนะมีคนยากจนนักถวายข้าวตอกนะนะนะแก่แก่พระผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบนะเนะนะขายังคิดเยอะนะคิดว่า ท่านจะฉันของเราหรือเปล่านะนะแต่นั้นมันก็มันก็ดใีในแง่ว่าพอพอท่านฉันท่านรู้ในการที่จะอนุเคราะห์นะเพราะว่าโยมคนนี้ไม่เคยทำบุญเลยเป็นคนยากจนมีศรัทธานะเมื่อใช้ให้นะเขาก็เกิดความปลื้มใจเกิดความสุขนะได้ไปสวรรคนะ์แต่ความสุขคนนั้นก็คือทาให้ได้ ทำให้ได้ไปสวรรค์นะ่ะได้พอใจในผลบุญนะแต่ก็หวังว่าพวกเราทั้งหลายก็อย่าอย่าพอใจเพียงแค่สวรรค์อจะเพียงขค่อพอใจในเรื่องบุญหรือว่าสิ่งที่เราได้ทําในเชิงทำในในเชิงเป็นเป็นบุญกุศลที่จะไปส่งไปถึงแค่สวรรค์นะแต่เราควรที่จะทําอย่างไรถึงจะ ไม่ไปไหนดีที่สุดนะนะเรียกว่าไม่ไปเกิดอีกนะดีที่สุดหรือถ้าจะเกิดก็เกิดให้มันสั้นลงนะน้อยลงไปเรื่อยๆนั้นดีดีที่สุดนะเหมือนอย่างที่เราได้ฟังเทศวันก่อนๆที่ที่มีพระพรามถามพระพุทธเจ้าว่าท่านเป็นใครนะนะนะเป็นยักษ์หรือเปล่าเป็นคนทันหรือเปล่า เป็นเทว ด, ดาหรือเปล่าเป็นมนุษย์หรือเปล่าพระพุทธเจ้าอันนี้ถามหลายๆอย่างพระพุทธเจ้าก็บอกไม่ได้เป็นอะไรเลยคือเหตุที่จะเกิดมาเป็นเป็นสัตว์โลกต่างๆท่านไม่ได้มีเหตุแล้วเหตุคืออะไรเหตุก็คือจะเรียกว่าจิตเนาะจิตที่ยังไปติดใน ภพภูมิต่างๆใจดีนะก็เรียกว่าเป็นเทวบุตรนะเป็นเทวทิดาไปสวรรค์ใจสงบใจนิ่งนะก็เป็นภพของพรมนะพมมีวิหารธรรมนะมีความนิ่ง หรือว่าใจร้ายก็อาจจะเป็นเป็นยักษ์นะใจบาปก็เป็นสัตว์นรกนะใจที่คิดยึดติดถือมั่นในทิฏฐิมานะพวกนี้นก็จะเป็นอสุรากายนะอันนี้ก็จิตใจพวกนี้นนะก็คือสิ่งที่ในแต่ละภพแต่ละชาติที่เราสะสมนี่นแหละนะ สะสมอย่างใดนะก็จะส่งผลให้เกิดมาเป็นเช่นนั้นนะใจมนุษย์เองก็อย่างน้อยก็มีสิ่งห้านะเป็นพื้นฐานนะเป็นความเป็นกลางนะแต่ก็เป็นคนที่ก็ต้องเรียกว่ามีบุญที่สะสมไว้นะทําให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะไอ้พวกนี้ยก็คือผลบุญผลกรรมที่ที่ทํานั่นแหละมันส่งผลให้ ให้ไปเกิดในภพภูมิต่างๆแต่พระพุทธเจ้าท่านสิ่งที่ท่านค้นพบท่านเข้าใจมันมันสูงกว่าเพียงแค่ว่าได้ทาบุญทําทานแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ได้ไปเกิดเป็นพรหมโลกอะไรนะแต่ท่านถอนท่านสอนเราถึงการเรียกว่าดื้อถอนภพภูมิวิธีที่จะดื้ รือถอนการการมีบ้านการมีพบการยึดติดต่างๆนี่คือสิ่งที่สำคัญกว่าคือรากเง่าจริงๆก็คือกิเลสต่างๆนั่นแหละนะความโลภความโกรธความหลงนะความยึดมั่นถือมั่นนะในอุปาทานขันทั้งห้านี่นแหละมันคือรากเง่างที่ทำให้เกิดการเกิดขึ้นมาอีกนะ จะเกิดโดยพบภูมิหลังจากที่ตายไปแล้วก็ดีห ร, หรือเกิดนะในทางวิญญาณในจิตในใจก็ดีนะคิดคิดขึ้นมาอากุศลนะจิตก็เศร้าหมองจิตก็ลงนรกแล้วนะคิดเป็นกุศลจิตก็เป็นเทวบุตรเทวมาเออเทวทิดาแล้วนะคิดเมตตาเขาจิตก็เป็นพมแล้วนะ ไอ้คนนั้นก็ถ้าเราไม่รู้ทันมันก็จะเป็นภพที่จะสะสมไปในอนาคตเนี่ยแต่เราถ้าเรารู้ทันเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆเราทํากรรมแต่เราไม่ติดในกรรมนั้นเราทําไปแล้วเราไม่ยึดมั่นถือมั่นว่ามาเป็นตัวเป็นตนตของเราไอ้คนนี้คือมันก็จะเป็นการวืดถอนเหตุที่จะไปสร้างสร้างภพสร้างชาติเนาะบางที่บาง คนก็จะเน้นแต่เรื่องการสร้างบารมีนะการสะสมบุญนะแต่ถ้าทําไม่ดีนะนะถ้าเน้นแต่บารมีเน้นแต่บุญเพื่อไปเกิดในที่ที่ดีๆมันก็จะวนเวียนเวียนไหวตายเกิดแบบนั้นเยอนะแต่ที่จริงบารมีที่พระพุทธเจ้าท่านสร้างจริงๆเนี่ยคือสร้างเพื่อเป็นเหตุให้ใหพ้นจากความทุกข์อนะ ก็คือให้เกิดสติปัญญานะเห็นนะเหตุของความทุกข์เข้าใจความทุกขนะ์รู้ทางที่จะออกจากความทุกข์นะแล้วก็ทำทำเหตุที่จะออกจากความทุกข์นั้นจะทั้งพ้นจากทุกข์ได้อันนี้แหละเรียกว่าการเข้าใจอริยสัจสี่จะเป็นหนทางเป็นวิธีการที่จะทาให้เราพ้นจากความทุกข์นะ เนี่ยเราก็ต้องอาศัยหลักการนี้นะนะถือเป็นคติในการปฏิบัติของเรานะไม่ว่าจะทำงานก็ดีนะก็ทำเพื่อละนะตัวตนนะหรือทำเพื่อให้รู้ทันกิเลสหรือว่าความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นนะเป็นตัวเป็นตนที่มันสร้างขึ้นมาในการงานนั้นๆก็ดีหรือว่าเราปฏิบัติในรูปแบบก็ดีนะ ก็ทาไม่เย้หวังว่าจะเอาอะไรนะแต่ทำเพื่อการรู้ทันว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นนะในกายในใจนี้นะใช่ัหยมันต่างกันนะเราเพียงแค่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจนีนะ้กับการทำเพื่อที่จะเอาอะไรนะมาเป็นอะไรมาเป็นตัวเป็นตนนะของเรานะมันไม่ใช่นะเราทำเพื่อที่แค่เห็นนะ เห็นแล้วก็ละเขาเสียนะเห็นแล้วก็ไม่ยึดติดเขาเสียนะจะอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่ก็ก็เพียงแค่เห็นเขาเนะี่ยถ้าเราทําแบบนี้ได้นะจะทําอะไรก็แล้วแต่เนะี่ยมันก็จะรู้สึกเอแล้วก็เป็นการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นเลยนะไม่ได้เสียเวลาไม่ได้เนินช้านะบางทีนักภาวนาบางคนเนะี่ยจะจะกลัวการงานจะดีเลี่ยงการงานจะ คิดว่าเป็นเรื่องเนิ่นค้านะแต่ถ้าเราวางใจถูกนะหรือเข้าใจวิธีปฏิบัติแล้วการงานก็เป็นการปฏิบททนะัติธรรมไม่มีการงานก็เป็นช่วงเวลาที่ปฏิบัติในรูปแบบนะก็ไม่ต่างกันเสมอเสมอกันนะในอียบดต่างๆก็เรียกว่าทําไปตามเหตุตามปัจจนะัยเนาะแต่เราก็จะดูตัวของเราเองแหละว่าเราทํา เราได้ปฏิบัติธรรมหรือไม่ปฏิบัติธรรมก็ดูที่ภายในของเรานี่แหละบางคนทําในรูปแบบแต่จิตฟุ้งซ่านไม่มีสตินะพอ ก, ก็ไม่ค่อยได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมนะอันนี้ก็ต้องดูที่ตัวเองเนาะก็ไม่ได้ว่าใครถูกใครผิดนะก็ใครดีใครไม่ดีะเป็นเป็นเพียงแค่หลักการหรือเป็นเพียงแค่การเตือนสตินะให้เราได้ ได้ดูนะได้ดูตัวเราเองนะถ้าเราทำได้มันก็ย่องเกิดผลดีต่อตัวเราเองในการขัดเกลายจิตใจให้มันบริสุทธิ์ขึ้นนะหรือรการให้เกิดปัญญาให้เห็นว่ารูปเดินามนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนะี่นั่นแหละคือสิ่งที่ที่สำคัญที่สุดที่เราได้ให้ประพฤติได้ปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าเนาะ แล้วก็ฝากไว้ในใจนี้